สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาถึงสิ่งสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดครับที่ฝ่ายจิตวิญญาณเขาเราจะเติบโตได้เป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นคือความรักเจ็ดขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือความเชื่อความดีหรือคุณธรรมความรู้ความเหนี่ยรังตนขันติธรรมะ ความรักพี่น้องครับหากเราอยากจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นถือว่าเป็นการบังคับเลือกครับบังคับเลือกก็คือว่ามัน ม, มีทางเลือกอื่นถ้าคุณจะเติบโตหรือเราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเราจะต้องเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ครับเส้นทาง7จขั้นคือความเชื่อความดีความรู้ ความเหนียวรั้งตนขันติธรรมะและความรักในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของความรักครับความรักเป็นสุดยอดของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป้าหมายสูงสุดความรักนี้เป็นความรักแบบอาคาเป้เป็นความรักในภาษากรีกที่เรียกว่าเป็นความรักสูงสุดเป็นความรักที่อุทิศ ต, ตัวเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ ของผู้ที่เรารักความรักตรงนี้คือการรักพี่น้องและการรักคนทั่วไปเปรียบเสมือนกับไม้กางเขนครับมีแขนสองข้างข้างซ้ายและข้างขวาข้างซ้ายอาจจะเป็นเปรียบเทียบเป็นความรักฉันพี่น้องที่เผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องทางซ้ายก็จะเป็นความรักที่เผื่อแผ่ไปถึง คนอื่นคนทั่วไปพี่น้องครับการรักพี่น้องการรักทุกๆคนรักผู้เชื่อทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักรนั้นเป็นพระบัญชาของพระเยซูเจ้าใจที่รักคนทั่วไปคือคริสเตียนที่ใส่ใจสังคมรวมชนทุกชั้นไว้คําว่าคนทั่วไปก็คือทุกๆคนไม่แบ่งชั้นวรณนะไม่มีการเกียรต กีดกันเหยียดผิวเมื่อเราทําเช่นนี้เราก็เป็นความสว่างของโลกเมื่อเรามีความรักความรักนั้นก็จะชักนําให้คนมารู้จักกับพระเยซูพี่น้องครับไม้กางเขนนั้นเป็นความรักที่เริ่มต้นจากพระเจ้าก่อนเมื่อพระองค์ทรงรักเราก่อนเราตอบสนองความรักของพระองค์พระองค์ทรงรักแบบอากาเปเป็นความรักที่เสียสละ เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่พระองค์เองปรงทรงยอมส่งพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นลงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อรับรู้ความรู้สึกของเราทั้งหลายเพื่อเป็นสักขีพยานเมื่อเราเห็นพระเยซูเราก็เห็นพระบิดาเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราก็เชื่อพระบิดาและปรงเป็นทางรอดเดียวไม่มีทางไหนที่จะนำ เราไปถึงพระบิดาได้เว้นไว้มาทางพระองค์และด้วยเหตุนี้เองความรักแบบพระเจ้าจึงส่งตรงลงมาผ่านม้แหงเขนคือความตายของพระเยซูครับและเมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อความศรัทธาเราก็ไว้วางใจพระองค์เชื่อพึ่งพระองค์มอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ยอมให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเราให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดของเรา นั่นแหละครับคือกระบวนการที่เราได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ารับเชื่อการรับเชื่อนั้นก็คือการตอบรับความรักของพระเจ้าเปิดใจออกสารภาพบาปและให้พระองค์เข้ามาในชีวิตให้พระองค์ขอการอภัยโทษจากพระองค์ให้พระองค์เข้ามาเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นเจ้าชีวิตของพวกเรา ยอมติดตามพระเยซูตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์เป็นการตอบสนองต่อความรักของพระองค์และเมื่อเรายิ่งรู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นยิ่งรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางพระกรมัมภีพระชนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราเองนั้นก็จะตอบรับรักพระองค์ และเราจะรักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆครับและเมื่อเรารักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะปฏิเสธตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆยอมให้พระองค์ที่จะเป็นเอกเป็นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเราก็จะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นก็จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นก็จะฟังพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นก็จะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ติดสนิทอยู่กับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ความรักของเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อความรักของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเชื่อฟังพระองค์แบบสุดจิตสุดใจรักพระองค์แบบสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดสุดสติปัญญาของเรา mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนั้นการตอบสนองระหว you ่างเรากับพระเจ้าความสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้า การมีสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้นงดงามขึ้นทุกเวลาและด้วยเหตุนี้เองทําให้เราสามารถที่จะมีความรักของพระเจ้าตอบรับความรักของพระเจ้าแล้วความรักนั้นความรักเดียวกันนี้อากาเป้นี้ที่จะรักคนอื่นรักพี่น้องของเรารักด้วยการให้อภัยรักด้วยความจริงใจรักด้วยความอดทน รักด้วยการเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอพี่น้องครับเมื่อเรารักทั้งคนทางซ้ายและคนทางขวาก็คือคนทั่วๆไปและก็คนที่เรารู้จักเป็นพี่น้องของเรานั่นแหละครับคือสมบูรณ์แบบการรักคนทั่วๆไปนั่นก็รวมถึงความหมายการทำสังคมสงเคราะห์ครับการเยี่ยมเยียนเด็กกาพร้าการดูแลหญิงม่าย การทำสิ่งที่ดีที่มีต่อชุมชนสังคมรอบข้างเราและนั่นคือพระมหาบัญชาที่พระองค์ได้สรงมอบให้กับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อเราเห็นเส้นทางทั้ง7ขั้นตอน7กระบวนการนี้เราเองนั้นก็จะต้องกลับมามองชีวิตของเราครับว่าเราเริ่มต้นมีความเชื่อจริงๆไหมความเชื่อของเรา หลังจากที่เราเชื่อพระเจ้ามาหลายปีความเชื่อของเรามากขึ้นไหมครับความวางใจพระเจ้าวความศรัทธาในพระองค์มากขึ้นไหมครับชีวิตของเราได้นำความเชื่อตรงนั้นมาปฏิบัติมากขึ้นไหมครับมาทำความดีมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับมีคุณธรรมประจำใจนำชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆไหมครับหลังจากนั้นอันที่3มก็คือเรามีความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการดำเนินชีวิตกับพระองค์เก็บเกี่ยวความรู้เกิดจากการฟังเทศนาการอ่านพระคัมภีร์การล่ำเรียนพระคัมภีร์การพูดคุยการหนุนใจทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความรู้เพิ่มพูนขึ้นไหมครับและเมื่อเรามีความรู้แล้วเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องของการเหนี่ยวรั้งตนการควบคุมตนเองไม่ทำบาปการที่ไม่ยอมให้ความบาปภายนอกเข้ามามีผล การป้องกันตัวเองมีไหมครับเรามีความอดทนมีความรริยะอุตสาหะมีขันติไหมครับเรามีธรรมะเรามีความเคารพยำเกรงในองค์พระบุนเจ้าไหมครับเรามีชีวิตที่เป็นก็อดล n e s s ไหมครับเหมือนพระเจ้าขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันและสุดท้ายเรามีความรักมากขึ้นไหมครับคนที่เราเคยเกลียดเคยชังคนที่เรา รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีทาผิดต่อเราเรายกโทษให้เขาไหมครับพี่น้องครับการเจริญเติบโต ว, วัดได้จากตรงนี้ไม่ได้วัดที่คำพูดที่สวยหรูไม่ได้วัดความงดงามภายนอกไม่ได้วัดที่รูปร่างต่างๆซึ่งเป็นกายภาพแต่วัดอยู่ในใจครับ อะไรที่อยู่ในใจมันก็จะออกมาเป็นการกระทำมันจะออกมาเป็นคำพูดในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้ประสบการณ์กับพระองค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะถอยหลังเพื่อที่จะรุดหน้าถอยเข้าสู่ธรรมเพื่อที่จะรุดหน้าเข้าสู่ความรุ่งเรือง ภัยบูนในองค์พระเยซูคริสต์ต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน